มือเว้เดือนปีมันทานไปเรื่อยเล้วมันทานไปเรื่อยมันทานไปแก่เขาสลัดกลัดไปหลากไปน้าแก่เนี่ยมันแสดงช่วงว่าเข้าบระยากไปไม่ไปต่งแก่ไปหลากไปไม่ไม่ลดสวนแก่ส้วนเผา หลาดไปแก่ไปเข้ารู้ไหมเข้าไปคิดคิดเข้าใจเข้าเนี่ยมันบระยากไปดอกป่อหยากไปเขา่บาบระยากไปตายแก่ไปแก่ไปแล้วมันเข้าหูยู่ว่าแก่ไปสุดท้ายมันตายมันแก่ไปใายตายใจเข้าบระยากไปดอกไปตายมันก็เลยแก่ไปแก่ไปนะ ใจเขาเป็นยังจะบม่อยากไปมันติดมันพันอยู่กับโลกโลกมันมีอย่างเหนียวหลายอย่างมันติดติดไว้พันไว้ตาติดติดลูกลูกเขามาทั้งตาแล้วเขาไปยื่อใจกับติดใจไว้ เสียงคำว่าตั้งรูติดใจไว้เสียงคำว่าตั้งรูนังไปข้กไปหาใจแบบติดใจไว้เนี่ยจหละเนี่ยมาพาดตีพ้าด้ลา้าลัดนักเขาเหวพาสิ่งพลาสของพ้าดก่อนดินพ้าดเดินสนามพ้าที่ดินถ้าดซื้อพลาเสียงแนี่ยผมนี่ก็ะไดซื้อเสียงอะไรก็ตันตังไ่้แตว่าเป็นพลาด้าดกองยองเป็นอย่างนี้เลย ม่นวา้พิจารณาเห็นโลกนี่เป็นถาดปีโลกนี่มันเป็นถาดปีดินน้ำไปล่มเมื่ก่อนนี่แหละมันพุ่มอยู่เป็นก้อนเป็นก้อนอ ก, กระจักระจยเป็นก้อนใหญ่ที่สุดแต่มันโลกเมดหน่วยเนี่ยมันดินน้ำไปล่มเนี่ยมันดินน้ำไปล่มก้อนย้ก้นอนใหญ่กอนน้อยน้อยม า, มากกับภูเขาอยูา่าัเงี้ย กดินน้ำไปร่มมันประกอบกันมันเป็นภูเขาน้อยหรือไมาอีกประกอบกันแล้วเป็นสร้างด้วยกันเป็นสร้างเป็นฝาหว่านเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรเนี่ยเป็นก่อนปีมินต์สีใต้เป็นหมาเป็นแมวเป็นคนเนี่ยมันประกอบเป็นที่ละดินน้ำไปร่มประกอบเป็นก้อนใหญ่แน่ก้อนน้อยแน่เนสีแห้งหัม่องเนีสีเดงเน่าคุดเป็นที่ละในเห็นโลก เป็นดินน้ำไปล่มก่อนไงแน่ก่อนน่อยไงะย่างเี้ละ่ะร่างก่อนแะมีวิญญาณมาครอบข้องเห็นไหมคิดเ้องใจเข้ า, า, ข า, ข เ, นาเนี่ล่ะมาครอบข้องจิตใจมาครอบข้องกับเป็นหมาแน่เป็นแมวแน่เป็นวัวเป็นควายเป็นเต๊ะเป็นไก่เป็ น, นอ่างเงเป็นคนนี่ละ่ะนี่ละ่ะมันคิดใจมาครอบข้องดินน้ำไปล่มก่อนก่อนยอดเกเรใดเมาแล้วท้ามันยางที่ให้หนูผ้ามันใส่ปืนไปที่ อันนี้ม็นคนบัดแล้วแล้วเยนคนีที่เอาของเขาไปใหเนี่ยของเขามันยืมมีดินน้าไปร่มมันเกิดมากแล้วเมื่อกามันห้มโตกันเน่ยมันจะค่อยแตะเขเใื่อยออกจนจะเน่ยบัที่มีใจพันว่าครอบค้องกับคนสิบ่าเขาเงยแค่เนี่ยเนี่ยคนิเรื่องกี่ยวไว้ยังสั่นเดินด๋อยบังเงยเป็นละบังใส่ใส่ละไม่ขโมยได้แล้วเขาใส่เงยเด็ดตามนาทีของเขามันมีปีชีสกนแดงัดงอยู่ ดินน้ำไฟร่มที่ว่าประกอบกันเป็นโลกแม่เป็นผู้เขาแน่เป็นต่างเป็นเสือเป็นผูเป็นขุนเป็นม้าเป็นแมวเนี่ยอันนี้แหละมันมันตีแจกตะหลาอยู่มันเป็นธรรมดาจริงจันไอ้เข้าเข้าใจใอ้เขาย่อมรับซะท่วมเป็นธรรมดาของมันเรื่องต้นสันสิว่าก้อนหินก้อนบักไ่อยู่หันเลยตเห็นมันแตกต้เห็นมันเยื่อเชื้อไปสั่นเออเจ้าพอได้อยู่ืเบื้องมันดลุนหลุนซื้อดอกนา ันเบื้องดนๆนเนี่ยมันสีเห็นหอกมันจะไฟเงยไปฟู่ไปฟโดไปโลกนีขค้อกันโงกมดอหน่วยเนี่โดนไปตั้แต่ีเนื้อยอะติแตกตีได้โลก น, นละให้เอาตีเจลานาไอ้ตีเจ้าเป็นวายตีหน้าโลกเป็นธาตุสีดินน้าไปลมตีเลหลนามหนเคลื่อนกระั่งไปหอดหน่วยบาไงเมด่อโลกเนี่ยมันเป็นดินน้ำไปลมประกอบไปเยอะ มันประกอบกันเป็นช่อนน้อยแต่มันผู้ผู้เขาเป็นผู้เขาเป็นทวีเป็นแม่น้ำเป็นทะเลหมาสมุทรเป็นต่างเป็นเสือเป็นงวเป็นกล้วยป่าว่านเป็นเ็ดเป็นไก่เป็นผูเป็นคนเองเป็นคนฝลังเป็นมิโกเป็นคนโอเชียเป็นคนจีนคนจีนคนไทยคนลาวเหมแมนว่าเนี่ยแหละดนดีนานทลมลั่งอันเหมืนมันหนี้ใจหน้อส้องมาดูมาเอาหัวขอบมาคล้อง เขาไ้ผ้ายางไปผ้ากินเผาผ้าควนควายนีแต่ว่าค่วมจนไปตามธรรมชาติเขามันจิเป็นไปยุคเต้าหนาหุมกันเป็นก้อนแบไปเนยออกหุมกันเป็นก้อนแบบไปเนยออกางเนี้ยเป็นที่นั่นท่านกินน้าไปร่มเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นที่นั่นพันท้าเขาใจยังแต่แล้วเราไปเอาเอาตัวไรดอกมันบระมาณนี้ที่เอาอาเงี้ย่า่อเอาเนี้ยจะไหนว่าง เอาเจ so so so so so so ้าเป็นย so ังก็เป็นแล้วบ่นเจ้กินง่ยเายง่ายไมเข้ามาที่ไทยแต่ในไท่ามันจะไปฝืนว่ามันจะเจ้าอย่างเดียวเอายาไม่กินอย่างรักษาเออัวไปพอไปนั่นแหละกันเจ้ากับเจ้ากับยูไปอีกันว่าเจ้ากักินก็ได้แล้ใส่ตั้งใจไวนั่ตั้งใจไว้ว่าจิกินกินอันเนี้ยคอนดินนาไปรลมนี่จะเป็นยังไให้เสีนเจ้าไัน คือเจนทีนํามันจดีนี่ช่งางออกว่าคันบคือเจนทีนี่จที่เอาเศ้ายางเดียวนี่ยจหาหมอหมอรักษาเลว่าบเศ้าเราคันพ่อใจบดีใจมันติเครียดจะช่างหม อ, อสัมภารงเนอ่ยโบเป็นจะเอาได้เนี่ยเนาะถพราะที่สุดมันหมอรักษาแล้วยแต่เื่อเยอะมันมันจะติเนื่อที่ไปยอะทีเตาขนาดในี่สุดนียมันตรงเนื่อตรงสลไหไป ไปตีนน้ีนน้ำไปร่มยูกรกดอนไงยูกระโลกนี้ดนไปกระติดห้อมกันไหมรี่บัานยินมใน้ห้อมก่อนไดบก่อนได้เราห้อมกันแ่ะยินน้าไปลมก่อนไหมถึงก่อนเ้ายะที่แง่ขึ้นมากเลยฮาลัตเทียก็มียินย่านมาฟ้องกับกายเป็นขั้วยู่เต็บ้านยูไปยูไปกันเงยเอาเอวกับตายไปฮาร์เล็ตเทียสเข้าเอาไปขา เน่ตายไปแล้วก็เป็นดินานาไปร่งขึ้นไปเดินไปกับเปิดห้องก็ป้อนอินกัดกินอินต้อนอ่นอีกเกิดเป็นยังไงเกิดเป็นต้นต้นแคบมอนแตงโมไงถึงไม่ไงถึงไม่ยังไงนนก้ น, นจัดไปบ่อยหรือบ่อยจัดมาอยู่ไปยิมากเผาโดน่นมากตายลงไปขึ้นเป็นดินานาไปร่มขึ้นเตาจงๆีหละมันเป็นยังสีเนี่ยไหนใครที่เจอหน้าเห็น ก่อนใหญ่เมิดโลกนี่ก็เป็นบางทีเพืกันนั่งกัโดนแหน่โดนละก้อนมันปิดแกกเยื่อยู่ร่างกายเทานี่เป็นก้อนน้อยหนึ่เยื่อไว้อยู่นึ่แกไว้อยู่แกที่เข้านิีนหน่อยดอกแฉ่ทิศไปน่งมันยื่ยอยู่อยากจะอ่อนด้วยเอามันพอถิ่มเพราะว่างตัวอลยุดปอยสุดว่างมันก็ว่างได้ว่างเป็นไรว่างได้มันลำบายแบบนะ มันติดเป็นเพราะมันอยู่ไงขันเท้าว่างก็ได้เลยไม่ติดทกติดขื่นอะไรหรอกมันเจียบมัปวดมันเดือดร้อนอย่นลอดันคิดว่าเออเอาไปทราวระดันของเจ้าสี่้ะดับของเจ้าเนาะเอาออกไปขึ้นไปห้าระดัมันก็พอเป็นอย่างนี้แต่าคือประคองเท้าของเท้าอยู่นี่ขันเข้าออกไปเลยอู้หึ่นใจห่างนักใจตุกใจงั้น